ทุกวันนี้คนมีความทุกข์เยะบ้านเมือเปลี่ยนแปลงรวเร็วคนก็ติดนอนทุกวั น, ท, วนทุกวันนะหาความสงบสุขใ น, นชีวยไม่ได้แต่เราได้สืกสารธรรมะแล้วชีวิตเนี่ยจะมีความสงบสุขขึ้นมาพวกเราต้องถือว่าพวกเรามีบุญนะวกเราเกิดมาในแผ่นดินที่ธรรมะยังดำรงอยู่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 เนธรระของผู้ยิ่งใหญ่มีองคระกอบหลายองค์ประกอบขั้นสุดท้ายนะั้นต้องในเดินช้าทหารภาวนาแล้วก็เดินช้าหลายปีก็เหมือนเดินสงบแล้วก็ฟุงฟ้งซ่างฟุ้งซ่างแล้วก็สงบตลาดชีวิตมีอยู่แค่นี้วแสดงว่าทําไม้ถูกหรอกถ้าเข้าใจหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะปฏิบัติถูกเนี่ยเราจะเห็นความเปลเี่ยนแปลงอย่างรวเร็วเหนเดือนสองเดือนก็เห็นคนระับ เป็นคนไปรี ท, ที่หลวงพ่อทุกวันนี้เยอะเยอะเป็นทุกทีทุกทีเพราเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ยดยยอย่างรวเร็วเลยเปลี่ยนแปลงยังไงเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงไปทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงกิเลสแต่เดิมเราเคยไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นคิดว่าเราเป็นคนดีคนพิเศษมันอืเหลไม่ดีเราเป็นคนดีมหาธรรนา รู้ทันใจของเราเอเข้าไปจริงๆเราจะเห็นว่าเราร้ายกว่าที่เราคิดไ ว, ว้เยอะเลยหาคนร้ายเข้าเราหายากนี้พอเราเห็นทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนี้กิเลสจะครอบงำใจไม่ได้เมื่อกิเลสครอบงำใจไม่ได้นัยนจิตใจจะมีความสงบสุขขึ้นมาจิตใจที่เราร้อนมีความทุกข์ทุรนทุรายขึ้นมาเท่าๆากิเลสมันครอบงำใจได้เอ็นพวกเราบุญแล้วล่ะภ า, าคเกียนที่จะศึกษาธรรมะเข้า เราพ่พูดมาหลายทีบอกให้เราศึกษาธรรมปัญหานี่ก็คือธรรมะอยู่ที่ไหนจะศึกษาอย่างไรธรรมะไม่ได้อยู่ไกลนะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยมีสองส่วนที่เราต้องศึกษาส่วนที่หนึ่งคือรูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมรู้จักรูปธรรมเนียสิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่สัมผัสได้แต่ต้องได้แต่สิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราต้องศึกษานะก็คือกายของเรานี้แหละ สิ่งทเป็นนามธรรมก็คือความรู้สึกเป็นคีดจิตใจของเรานี่เองเพราะเรียนธรรมะไม่ได้เรียนที่อื่เนเลยไม่ได้เรียนที่วัดนะไม่ได้เรียนกับพระไม่ได้เรียนหลวงพอ่อกระสั่งกับรพระพุทธเจ้าท่านก็สอนธรรมะเราไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกเองเลยนะว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านบอกทางที่จะเรียนธรรมะให้เราอบอกว่าธรรมะอยู่ตรงไหนจะเรียนอย่างไรเกิดหน้าที่ที่จะเรียนเป็นหน้าที่ของเราเอง เมื่อเรียนแล้วเราจะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของเราเองธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเห็นได้เฉพาะตัวสอนแทนกันไม่ได้นะั้นบอกแทนกันรู้แทนกันไม่ได้ใครปฏิบัติก็่าน้ก็รู้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าเรียนแค่ผู้บอกทางเมื่อเรายา่าไปคาดบวังนะอยา่าไปเสียหกเสียใจด้วยว่าเราเกิดไม่ทนันพระพุทธเจ้าเราเลยไม่ได้ธรรมะไม่ใช่ท่านบอกทางไว้ให้ทางที่จะมาเรียนรู้ธรรมะ น, น, นะ คือก็คือทางที่จะมาเรียนรู้กายแลกใจของตัวเราเองทำยังรเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจงได้เพราะทีเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้ารู้ตามคว า, า, ามเป็นจริงถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อจะเบื่อจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่มีแต่ตัวทุกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยพราเบื่อเก็จะคลายความยึดถือออกไปไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจใเขาคลายความยึดถือใจแนละ ยึดใจยึดใจจิตเฉลิมพลท่านคุณสอนบอกว่าเราเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อน่ายก็เบื่อนายถึงใคร่กำหนานจึอใคร่ความรักใต้ผูกพันยึดถือต้าใคร่กำหนานจึงหุดพ้นไม่ยึดายไม่ยึดใจกายมันตุกนะใจมันตุกนะแต่ผู้ปฏิบัติเลยพคนคนจัดทุกไม่ยืึดมันควนทุกข์มีอยู่ในโลกแต่ไม่มีเจ้าของ ภาวนาไปถึงจนเดือนอะไรจะเห็นเลยความทุกขมันมีอยู่โลกมีทุกโลกนี้ยังไงก็ต้องทุกข์ไม่ใช่ภาวนาให้โลกนี้ตายสิ้นสุดนะต้องใจผิดไม่ใช่ว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็ร่างกายที่มีแต่ความสุขจิตใจมีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นหมดเลยนะถุงลอตเตอรี่ร่ำรวยเลื่อนตำแหน่งอะไะเรื่องอะไรโลกนี้อย่างไงก็ทุกข์เราคิดอยู่ตั้งแต่เด็กๆมาอ่า น, ะนะตอนทุกเท่าเท่าไหรน่ะ เราเป็นวันนี้ความสุขที่เห็นว่ามีว่ามีอยู่นะมาแป๊บเดียวก็หายไปความสุขเป็นแค่ภาพหลดตางความทุกข์เป็นของจริงที่โรงพยาบาลเลยที่แสดงความทุกข์ให้เราเห็นนะความทุกข์เป็นของจริงเราภาวนาไม่ใช่เพื่อว่าให้ความทุกข์หายไปเราภาวนาจนกรทั่งวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจใกายและใจทั้ทุกข์ของมันนะนะั่นแหละแต่เราไม่ยึดถือเราไม่ถูกนะ ถึงบอกว่าถ้าภาวนาไปแล้วเนี่ยความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์นันไม่ใช่ภาวนาไม่เป็นทุกข์นะทุกข์มีร่างกายอะไรก็ทุกข์ร่างกายอะไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ไม่พ้นหรอกเพียงแต่ว่าเราภาวนาแล้วพอร่างกายมันแก่กมันเจ็บมันตายใจยเราไม่ทุกข์ด้วยเพราะเราเห็นความเจือของกายแล้วเราไม่ยึดติดในการจิตใจเราเดี๋ยวก็สมหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังนะมีความหวังภาวนาแล้วก็ผิดหวังบ้างสมหวังบ้าง สุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราเกิดปัญญาเราเห็นความสุขก็ชั่วคราวมีไหมความสุขถาวรไม่มีความทุกข์ก็ชั่วคราวนะความทุกข์ถาวรไม่มีหรอกใครเคยทุกข์นานๆอย่างบางคนบอกอกหัทุกสองสามปีไม่จริงหรอกพอไปคิดเรื่องอื่นลืมคิดเรื่องอกหักนั้นก็ไม่ทุกข์แล้วทุกข์ขึ้นมาต่อที่คิดเลยคิดจะไม่ทุกข์ับ ความทุกขะก็โชกกลาวนะความสุขก็โชกกลาวนะกุศลก็โชกกลาวอย่างบางครั้งใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลอกุศลก็โชกกลาวโรคปิดหลงก็โชกกลาวมีใครโรคตลอดวันตลอดคืนไหมไม่มีโรค ก, ก็โรคเป็นโชกกลาวแล้วก็หายไปปวดก็ปวดโชกกลาวแล้วหายไปหลกก็ลลหล ง, กลงแวบบ้บๆนั้นในโลกนี้มันมีแต่ของโชกกลาวนั้นเวลาที่ใจเราฉลาดขึ้นมานะ มันเห็นเลยว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจไี่เป็นแค่ของชั่วฟราเท่านั้นไม่ได้ึดถือความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงระเริงความทุกข์เกิดขึ้นนะก็ไม่ชอบช้นไม่เกยดชั่งมันผู้สนเกิดขึ้นก็ไม่เพลิดเพลินแบบว่าโอ้ฉันเป็นคนดีพิเศษเหลือเกนผู้สนเกิดขึ้นความโลภความโกรธความโลงเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความโกรธปว่ความรังเร่อสงสัยความกลัวความอิจฉาความกังวลอะไรเกิดขึ้น ถ้ า, ามีสันติปัญญาจริงเราจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวถ้าวันใดที่เราภาวนานเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรามีความชั่วคราวความทุกจะหายไม่เยอะทุกวันนี้เราคิดว่าเราไม่ชั่วคราวแล้วเราคิดว่าเรามีอยู่จริงๆมีตัวเราจริงๆเราก็เลยอยากให้ร่างกายนี้อยากให้จิตใจนี้มีความสุขถาวรดีถาวรที่เราอยากแบบไร้เดียงสา อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ายเดียวสาใช่ไหมแต่ก็กลัวหมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็กลัวกลัวรักรักไหมเจ็สิ่งที่รักกลัวเจอสิ่งที่ไม่รัก่ก็กลัวท่าในใจเราเต็มไปด้วยความทุกข์นานาชนิดแต่ถ้าใจเราเห็นความจริงแนะร่างกายมันมีธรรมดาต้อแก่ต้องเจ็บต้อตายชีวิตนี้มีธรรมดานะสมหวังแล้วก็ผิดหวังมีราบแล้วก็เสริมราบมียศเสือ่อมยศ มีสรรเสริญได้ก็มีดินทานได้มีสุขได้ก็มีทุกได้เน่ยถ้าเราหนักธรามนาใจเราก็จะเห็นความจริงของชีวิตทุก<ม>อยาก่างเปนชะั่วแป๊บมันหมุนไปเรื่อยๆสุขทุกตีช่วง น, นะล่ามยอดสรรเสริญสุขเสิมล่าเสิมยอดดินทานทุกนนะเป็นธรรมดารของโลกถ้าใจเราเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นธรมธรมดาธรรมดามันเป็นอย่างนี้แหละหมุนมเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาที่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจก็ไม่ทุกข์ ทุกน้อยลงไปเยอะเลยความทุกเกิดขึ้นในชีวิตต้องรู้ใจเ้ยต้องรู้หรอกนะมันอยู่ไม่นานหรอกเน้นพวกเราบางคนเจอปัญหาชีวิตหนักๆมันต้องคาถาไปเลยเดี๋ยวมันต้องผ่านไปไม่มีหรอกความทุกข์ที่ไม่ผ่านไปเราทําใจได้เลยไม่นานเลยก็ต้องผ่านไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเวลาความสุขเกิดขึ้นแนละ้วเราสมบวังเพราะเรามีแฟนเราแฟนเราดีสามีเราดีหรือคนื่นเนี่ย ต้องทําใจไปเหมือนกันนะั้นวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปเหม น, นไม่ผ่านไปตอนเป็นเป็นหรือผ่านไปตอนตาย ต, ตายยังไงก็ต้องผ่านทุกอย่างไม่เคยคงที่เลยนะโลกเคลื่อนไหวโลกเปลี่ยนใจอยู่ตลอด เ, เวลาให้เราภาวนาเนี่ยก็ให้เห็นความจริงตรงนี้เองาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานี่เป็นแค่ของช่วข้าวเท่า น, นั้นเองภาวนาเพื่อสิ่งนี้แนะพิธีการทํำยังไงที่เราจะเห็นว่าทุกอย่าง ในชีวิตเราทั้งในกายในใจนี้เป็นของโชคตาเราพิธีการอันนี้เรียกว่าการเจริญนิสนานรมาานความชื่นน่ากลัวคำว่าวิปัสสนากรมาานลืมมันไปก่อนก็ได้พูดภาษาไทยสมัยใหม่มันคือการเรียนรู้เองเราเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคืออะไรคือกายและใจนี้ยังทำยังไงเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้แต่อย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าลืมมันก่อนนะ ขันแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจนะตรงที่คอยรู้กายคอยรู้ใจได้แหะเรีว่ารู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจไม่อยากใจลอยคนในโลกนี้รักตัวเองที่สุดนะแต่ลืมตัวเองตลอดเวลาเราลองนึกออกไหมวันหนึ่งวันหนึนหนเราจิตใจเราอยู่กับเ น, นื้อกับตัวสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์วันหนึ่งวันหนึ่งจิตเราหลงไปเรื่องคนอื่นนะไปยุ่งกับคนอื่นนะกี่เปอร์เซ็นต์ งั้นจริงจแล้วเรารักตัวเราเองที่สุดนะแต่เราลัาเลยไม่สนใจตัวเราเองเราบอกเรารั ก, กเลงที่สุดแต่ว่าจริงๆไม่สนใจเลยทอดทิ้งมันตลอดเวลาร่างกายเรามีอยู่เราก็ลืมทุงวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะไม่เคยนึกถึงมันเลยเมันก็เดินสุ4สี่สุบห้าแต่โนอนชนี่ไปเรื่อยๆนะทุกทงั้นเราอยากปฏิบัติธรรมจากขั้นแรกเลยนะอย่าลืมนะลืมตัวให้รู้สึกตัวนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเอง ไปรู้สึกกายไปรู้สึกใจบ่อยๆร่างกายมีอยู่ก็รู้สึกเห็นหน้างกายไปไหนใจเข้าร่างกายใจออกเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความเฉยๆที่เกิดขึ้นในใจความสุขความทุกข์มันเกิดได้ทั้งกายทั้งใจเกิดที่กายก็มีเกิดที่ใจก็มีมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปรู้ไปเห็นความโวภความโกรธความหลงเท่าไหร่เกิดขึ้นที่ใจ ไปรู้ไปนี่เราไปมีสติตามรู้มันเป็นรื่ๆอย่างที่เราคอยรู้ไปรู้ใจบ่อยๆนะวันหนึ่งเราจะเห็นนะว่ากายกละใจเนี่ยแสดงความจริงออกมาความจริงของกายของใจเรียกว่าไตรลักษณ์ความจริงของกยววาย ข, ของ ใ, ใจคือไตรลักษณ์ไม่เชี่ยงเป็นทุกข์นะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราการทําวิปัสสนาธรรมะเนี่ยก็คือการที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจ ไม่ใช่เห็นกายเห็นใจเใฉยๆนะถ้าเห็กายเห็นใจเฉยๆยังไม่ใช่วิปัสนาอย่าพวกเราบางคนเป็นหายใจยเข้าหายใจออกนั้นจิตสงบอยู่กับลมหายใจไม่ใช่วิปัสนานล้วเป็นสมถะบางคนเป็นดูท้อเพอายุบจิตสงบอยู่กับท้องจิตไม่ลืมท้องเลยทั้งวันจิตอยู่ที่ท้องอย่างเดียวไม่ได้เห็นใจรักนะเป็นแต่ท้องเป็นสมถะเดินจงกรมยกเท้าย่า ง, งเท้าเห็นแต่เท้าทั้งวันไม่เห็นใจรักก็เป็นสมถะ ท้าไม่เห็นไจรักยังเป็นสมถะอยู่ต้องเห็นกาจเห็นใจแสดงไจรักได้ถือเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาหรือการเห็นแจ้งเห็นอย่างพิเศษเป็นความจริงว่ามันเป็นไจรักนั่นขั้นแรกเลยนะให้เราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าเราลืมตัวเราเองเราก็ไม่สามารถเห็นกาจเห็นใจได้ขั้นต่อมาถ้าเราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเราอย่าไปจ้องมันให้นิ่ง บาคนไปรู้กายแนละ้วก็จ้องหน้ากายนะเช่นรู้รหลงใสใจแล้วจ้องจ้องจ้องไม่นะนิ่งไม่มีปัญญาปัญญาต้องเห็นใจรักนะเป็นจ้องแล้วมันนิ่งเหมือนไม่แสด ง, น ง, งองนิจจัรูปขังอน้าตาอะไรให้ดูเนะ่่เป็น เ, ยยเพ้งสรุปง่ายๆนะสิ่งที่เป็นศัตรูที่ทาให้เรารู้กายรู้ใจตาความเป็นจริงไม่ได้หรือทาวิปัสสนามไม่ได้มีสองอย่าง อันหนึ่งเผล อ, อไปลืมกายลืมใจตัวเองอันที่สอ ง, งอยูท่ที่งอยู่ที่กายเห่งอยู่ที่ใจร่างกายก็นิ่งๆจิตใจก็นิ่งๆไม่แสดงใจละไม่แสดงความไม่เที่ยงแล้วก็มีความสุขขึ้นมานะแห้งด้สงบสุขด้วยๆเห็นแต่สุขไม่เห็นทุกข์แล้วก็รู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูบรรทัพได้ภาวนาแล้วรู้สึกว่ากูเก่งอาวนาผิแน่นอนภาวนาถูกต้องเห็รอภาวนาแล้วไม่มีกูนะไม่ใช่ภาวนาแล้วกูเก่ง เรื่ศตรูของการที่จะเรียนรู้กายรู้ใจมีแค่สองอย่างเท่านั้นนี่คือศัตรูของนักปฏิบัติวิปัสนาธรรมตัวที่หนึ่งลืมกายลืมใจตัวที่2เพ่งกาเพ่งใจนั่อย่างเราเดินจงกรมนะคนคนเดินจงกรมแล้วเพ่งอยู่ที่เท้าเนะี่ยจิตเกาะอยู่ที่เท้าเลยสงบนิ่งอยได้สมัครไม่ใช่วิปัสนาไม่สามารถเห็นกายเดินใจเป็นใจล่างได้ เมเราอย่าเป็นเนะเรแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจอะไรก็ได้ในกายในใจนี้อย่าให้เกินกายเกินใจออกไปคนไหนถนัดรู้ไปก็รู้ไปคนไหนถนัดที่จะรู้ทางใจตัวเองก็รู้ไปเมื่ออิตย์ก่อนหลวงพ่อไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องเ์หนึ่นลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนอยู่กับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาเป็น บอกว่าถ้าจะสอนคนในเมืองนะพวกปัญญาชนพวกคนเมืองพวกที่ทำงานที่เอาที่เอาทั้งวันอย่อ า, างวนนพวกเราส่วนใหญ่นะให้สอนดูจิตถ้าสอนอย่างนี้นะให้ดูจิตเปจิตเป็นยังไงให้ความรู้เป็นจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วนะรู้ด้วยความไม่ยินดีไม่ยินลายเช่นความสุขเกิดขึ้นนะให้รู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นถ้าความสุขเกิดขึ้นแล้วเราพอใจจิตเ็พอใจยินดีนะให้รู้ทันตอนยินดี ถ้าความทุกข์เกิดขึ้น surge, ให้รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วไม่พอใจให้รู้ที่ฝังไม่พอใจนี่ให้รู้ทันแต่การที่เรารู้ทันจิตที่พอใจจิตที่ไม่พอใจนะฝัมพอใจวางไม่พอใจจะดับเองจิตจะเป็นกลางขึ้นมาไม่ได้ฝังข้าข timeline, ให้เป็นกลางให้เป็นเองง่ายๆในหลักของการดูจิตนะทีู่บาอาจารย์หลือครูดสอนหพ่อมาหรือ หลวงพ่อชาท่านสอนลูกศิษท่านสอนให้รู้จิตนั่นก็คือให้รู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเรานะด้วยความเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปเรื่อยเยกตัวอย่างเราขับรถอยู่เราขับรถอยู่นะอยู่อยู่มีคนปาดหน้าใจเราก็คิดนะมันต้องคิดนิดนึงก่อนคือเจือโหถ้าเวลาเราใจลอยอยู่ใช่ไหมมันปาดหน้าเราไม่รู้แล้วไม่โหมหรือมันปาดหน้าไปเราเห็นเราสั่งไม่เห็นไม่คิดต่อนะเพาไม่โห ต้องเผลอไปคิดนิดนึงตอ น, น, นแน่ชักแค่ไหนต้องคิดในทางไม่ดีกว่า น, น ะ, ะนนนานะความโกรธก็เกิดขึ้นนักปฏิบัตินะพอความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจโกรธถ้ารู้ไวกว่าแบบนั้นจะเห็นเลยว่าตามองเห็นรูปเห็นคนมีปากต้อนปากหน้าอะไแค่มองเดียวเห็นรูปมันตัดกรดถ้าตรงนี้สติตามไม่ทนันนะใจโกรธขึ้นมาให้รูว่าโกนักปฏิบัติทั้งหลายพอโกรธแล้วเนี่ยอยากหายโกรธไม่ชอบ รู้สึกกิเลสเป็นขาไม่ดีให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบความหลงให้รู้อย่างนี้นะรู้เป็นลำดับลำดับไปอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเขรู้ว่านั้นแต่หรือเราเดินเดินอยูเ่เราเห็นผู้หญิงสวยผู้หญิงเป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยตาเป็นภาพเกิดขึ้นพอเห็นผู้หญิงสวยเดินมาจิตมีราคะใจเราหลงราาักเขาชอบเขาอยากได้นักปฏิบัติที่ดีก็คือพอใจมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามมีราคะ ถ้าใจมีราคาแล้วขอพวกเรานักปฏิบัติเห็นนะ์เนี่อเราเขาไม่ชอบใช่ไหมราคะไม่ดีกิเลสไม่ดีให้รู้ทางใจที่ไม่ชอบราคะเนี่ยรู้โลกปัจจุบันไปได้แน่รู้ทางการทํางานของใจเป็นปัจจุบันไปได้แน่หัดดูไปเรื่อยนะถึงจิดหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างโชงคตาความสุขวความทุกข์กุศลอกุศลเท่าไหร่เป็เขางโชงคร า, าการรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่ามึเนเพ่ลงให้มึนนี้ หลายคนเป็นเพ่งติดสมถะติดสมถานนิ่งต้องใจอย่อย่างนี้นนคนดาา่ากนะ็เฉยนะคนชมก็เฉยเปลี่ยนอะไรก็เวยที่บนั่นจะไป็นธรรมใจในิ่งใช้จิตใจธรรมดาของมนุษย์ธรรมดานี่นะตามู้จะมอยงยิ้มใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดากระทบไปแล้วเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็รู้ไปตามธรรมดาไม่ได้บังคับนะไม่ได้ห้ามจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะ ไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะจิตโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรดจิตไม่โกรดหายโกรดแล้วรู้ว่าหายโกรธให้ใคดูโลกปัจจุบันอย่างนี้เรื่อยๆแม้การปฏิบัติจริงๆไม่ยากหรอกในห้องนี้มีคนไหนไม่รู้จักว่าโกรธเป็นยมีใครไม่เคยโกรธยกมือให้ดูหน่อยมีไหมมีใครไม่เคยโลภมีไหมมีใครเคยโลภมีไหมต้อาทดสอบนั้นิพระตะยงมือให้เห็น มันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดหรอกนะการปฏิบัติธรรมเคือการเรียนรู้แบบอะไรกําลังเกิดขึ้นสดสดร้อนร้ยอโดยเฉพาะพวกเราชาวเมืองเนี่ยอะไรเกิดขึ้นสดสร้อนๆในใจเรารัไปรู้ไปย่างเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อพุ่นมาพักหนึ่งรู้สึกแบบสุดซึ้งเลยพอได้ยกไม้ยกมือก็รู้สึกแหบจิตเคลื่อนไหวแล้วไปชับไปเฉงขึ้นมาเนี่ย ร, รู้ความเปลี่ยนแปลงแค่นี้แหละยากเลย บางคนบอกว่าดูจิตยากดูจิตยากนะมาลำตึงลำพันไปที่วัดของพ่อต้องเคยมีเดี๋ยวนี้ไม่มีละดูจิตมันยากหลวงพ่อเลี่น เ, เ, เด็กเล็กๆขึ้นมาปวดรู้จั ก, กไหมรู้จั ก, จกอยากได้รู้จักไหมอยากกินรู้จักไหมเคยปวดแม่ไหมนะเคยเคยรักแม่ไหมเคยความรู้สึกนานชนิดนะ่จะโลคจะตปวดจะหลงเคยอิจฉามไหมเดนะ็กมองหน้าน้องเคย นะแล้วถ้าอีฉาเด็กเรารู้จักเลยนะเคยกังวลไหมเคยกลัวไหมก็นะ เ, เคยนะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะมาฉีดยาที่โรงเรียนวันนี้กังวลแล้ได้เห็นนะะเด็กไนะนะม่ชอบหมอนะเป็นหมอเป็นอาชีพที่น่าสงสารมากเลยนะต้องหมอท่ า, านเป็นบาลจริงไม่เป็ใครเขอยากเห็นเราหรอกแต่นะเอาเงินตอนนะั้นตอนให้มาเจอเราบ่อยๆที่นี่เนปะ็นะีหนึ่าแอวเพื่อนนะ เป็นไหมว่าจริงๆแล้วการที่เราจะดูจิตดูใจเองมันไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราไปเรื่อยๆรู้ไปอย่างธรรมชาติธรรมดานะไม่เพงไม่ช่องิ่งๆเหนคนนี้นนที่มีอินเตมีเครื่องแบกเยอะภาวนายอย่างนั้นใช้ ไ, ได้หรอกมันเนะมันม่ใจนิ่งอย่างี้ไม่มีรใรักแดูนะต้องปล่อยให้มันเคลื่อนไปแล้วตามดู อย่างคนรูว่าชั้นพิเศษท่าไรเนี่ยรู้สึกไหมใจแอบไปคิดเวลาใจระนีไปคิดเราลืมกายลืมใจตัวเองการปฏิบัติธรรมก็คือคอยรู้สึกกาคอยรู้สึกใจไปแต่ใจลอยนั่นเป็นอย่างเพียงแค่นี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันแค่นี้เองรู้จักกปวดทุกคนใช่ไหมรู้จักโลครู้จักหลงไหมใจลอยแค่รู้จักใจลอยแค่รู้จักฟู้สร้าง ใครรู้จักบทบูใครเคยอิจฉาบ้าง เ, าเคยทุกค น, นเลยอย่างเลืมนะว่าผู้หญิงที่อิจฉามากกว่าผู้ชายผู้ชายก็ที่อิจฉาเหมือนกันแต่ว่าต้องวางฟ้องไ ม, ไม่บอกอกลัวกังวลนะเกรงใจรู้จักเกรงใจไหมไม่เกยงใจกับกลัวก็ไม่เหมือนกัน ขัดใจกับแค้นใจไม่เหมือนกันรู้สึกไมขัดใจกับโกรธก็ไม่เหมือนกันขัดใจกับแค้นใจก็ไม่เหมือนกันรับแค้นก็อีกอย่างหนึง่งใช่ไหมเซ็งก็อีกอย่างหนึง่งเนี่นาน า, นานความรู้สึกอ่ะนะความรู้สึกอะไรกำลังเกิดขึ้นสดร้อนในใจเราให้คอยรู้รอะไหมแล้วเราจะเกตเลยว่าความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยอยู่ช่วครา กัวก็กลัวโชคเปล่านะโกรธก็โกชคเปล่าดีใจเสียใจสุดทุกทุกอย่างโชคเปล่าเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้เป็นของโชคเปล่าไม่ได้พอวนาเอาสเอาสมบเอาดีแต่ภาวให้เห็นว่าทุกอย่างในชีวิตเรานี้โชคเปลาดูของจริงลงไปในใจเราดูซิว่าโชคเปล่าจริงไหมสุดโชคเปล่าไหมทุกโชควปล่าไหมโรคโกรธหลอหยิบฉาฟุ้งซ่านใะไนี้โชคเปล่าไหมดูอย่างนี้เรื่อ้ๆนะ การที่เราเห็นว่าทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของโชงคดีเนี่ยถึงจึงหนึง่งปัญญามันจะเกิดขึ้นจิตใจมันจะยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาคนที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปในธรรมดานั่นแหละคือพระโสดาบันเราอย่าบ้าภาพว่าพระโสดาบันนั้นคือมนุษย์ละหลาดนะไปนั่งสมาธิแล้วก็พูดหมดสติไแล้วตื่นขึ้นมาก็เป็นพระโสดาบันไม่ใช่นะ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 เาคนเดิมนี้แหะแต่บ้างแต่ตอนนี้ตัวเราเล็กหนีอตัวเราใหญ่ขึ้นคนเดิมนะเห็นไหมว่าเราเห็นว่ามีสิ่งบางสิ่งเนี้ยเชี่ยงมีสิ่งบางสิ่งที่เป็นอนตมตะคีอเป็นสิ่งที่เป็นอมตะนะแต่ทั้งร่างกายเราตายแล้วเราเรียนช่วยออนะว่้ตัวที่อมตะตัวที่ไม่ตายเนี้ยจะออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่ให้เราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอเรารู้สึกในนี้มีเราอยู่คนเดึ่ถ้าเราหภาวนาจริงๆเราจะเห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับนะ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 เพะนทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเรานะด้วยการเกิดแล้วก็ดับท้นหทีไม่มีอะไรในใกายในใจนี้ที่เป็นธรมตัมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วก็หายไปสังเกตที่ใจเราอยู่ก็ได้สังเกตไหมใจเราเดี๋ยวก็สูขเดี๋วก็ทุกข์พอใจมีความสุขขึ้นมาใช่ไหมตอนนั้นใจที่ทุกข์ก็หายไปมีความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วใจที่มีความสุขหายไปเกิดใจที่เฉยๆขึ้นมาแทน ใช่ๆๆอยู่โชคตรานั้นอาจจะสุกขึน me, ้นมาหรืออาจจะทุกข์ขึ้นมาอีกก็ได้จิตใจยังก็เปลี่ยนไปได้แอยๆได้เฝ้ารู้อย่างนี้นะมันหนึ่ปัญญาจะเกิดจะเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นของโชคตราทั้งหมดเลยเราภาวนาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาความสุขความสุขเป็นผลปล่อยได้เป็นความสุขเป็นผลปลอยได้แต่ถ้าภาวนาก็จะให้จิตมีความสุขมีความสงบนเพื่อให้จิตดีความสุขในโลกนี้ไม่เที่ยงถ้าเราภาวนาเอาความสุขก็คือเอาของไม่เที่ยง มันอยู่ชั่วป่าแล้วก็หายอย่างคนที่นั่งสมาธิรู้สึกไหมมีความสุขนะพอออกจากสมาธิก็ไม่มีความสุขแนละ้วบางคนนั่งเอาความสงบพอออกจากสมาธิก็ไม่มีความสงบนะบางคนก็อยากเป็นคนดีมัก็ดีบ้างร้ายบ้างแม้ความสุขความสงบความดีนะั่นเป็นของโชั่วป่าในโลกนี้อย่าเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงไม่ได้เราปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เพื่อสิ่งเหล่านี้ แต่เพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาดูในโรงพยาบาลนี่แหละมีสิ่งเกิดสิ่งดับแท้เป็นหมดเลยนะรวทั้งความรู้สึกของเราด้วยพวกหมอพวกพยาบาลรู้สึกไหมแย่างเรามาโรงพยาบาลนะต่วนี้คนไข้เต็มเป็นหมดเลยสดชื่นไหมดีใจมโ้ยยินีเลยคนไข้เต็มเลยจะได้ทําบุญเยอะๆได้รู้สึกนะ ออกจากโรงพยาบาลไปที่คลินิกของเราแล้วคนออกมาล้นเป็นส่วนหนึ่งเราจะดีใจนะความรู้สึกเราถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราไปรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าเป็นวาดภาพการปฏิบัติธรรมนั่นคุณการทําอะไรที่ยากเกินกว่าความเป็นจริงแต่ว่ามีเงื่อนไขอย่างหนึ่งนะฝากพวกเราไว้พวกเราต้องถือศีลห้าคนที่ไม่ถือศีลภาวนาไม้ขึ้นหรอกนะเนี่ยเป็นบทที่สุดที่เห็นมาเยอะแยะแล้ว ถ้าไม่มีศีลเข้าวนาไปไม่รอดหรอศีลรักษาไว้นะตั้งใจรักษาไว้พอเรามีศีลแล้วเราก็ไปเจริญสติในชีวิตประจําวันได้มากๆต่อไปถ้าคนไหนคิดว่าอยากได้มากผลนิพพานในชีวิตนี้นะก็เพิ่มตัวไปอีกทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาไว้สักช่วงหนึ่งในนั่งสมาธิบ้างเดินจบกรมบ้างทําในรูปแบบการทําในรูปแบบก็ค่อยๆนหน่วยเข้าค่ายสองถึงจะเป็นชมป์โลกก็ต้องสองชง นะเราจ ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจําวันเราก็ต้องซ้อมให้เกิดสติบ่อยๆทุกวันไหว้พระสวดมวนต์ไปนะเช่นอาลาอังก็ซับมานะรู้ทันเห็นร่างกายง่ามปาก ง, ง่ามกระง่ามสวดมวนตน์ไปจําพปตัวพระพรใจหนีไปคิดรู้ว่าใจเหนีไปคิดแจะคอยรู้ทันตเองรู้ทันกายรู้ทันใจไปเรืเ่อยๆเวลาเดินจงกรมก็เดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจนะไม่ช่เดินแห้ใจนิ่งๆ เดินให้ใจนิ่งง่ายเดินไปเป็นสังขานเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใ จ, เ, กใจเห็นร่างกายเดินเดินใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินเดินใจเป็นคนดูไปเรื่อยแล้วคอามใจแอบไปคิดการู้ทันได้ทําในรูปแบบว่าใจจะได้มีเรี่ยวมีแรงสรุปง่ายๆนะถือศีให้ก่อนศีลหา ก, ก็พอแล้วมีศีลถ้าวันไหนิีลขาดไปก็ตั้งใจรักษ า, า, า, าใหม่อย่าไปรู้ใจขาดแล้วขาดไปนะต่นะ้งใจทำใหม่แล้วก็ ทำหลายรูปแบบบ้างเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันที่เหมาะกับคนเนเร่อนอย่างพวกเราก็คือการดูใจของตัวเองจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจโลภใจโกรธใจหลงใจทุกงซ่านใจบปุใจเปพ่งนิ่งอยคุณเนียจิตเพ่งนะใจเป็นเพ่งขน่เขารู้ทันมันไปได้เลิกซัเ็เพ่งนะถ้าเพ่ไม่มีปัญญานะติดสมรรไม่เกิดปัญญาเห็นใจรับ แค่นี้แหละพอทำไหวไหมหลวงพ่ภาวนาสมัยเป็นคราวาสเหมือนพวกเ ร, นะราน่ะตัวง้่อเปันคนทางานอยู่สภาพของมัน e n แข่งชาติชื่อน่ากลัวอยู่สภา parliament แข่งชาติงานห น, น, น, น, น, น, น, นักมากเลยงานเครียดมากเลยวันวแล้วต้องมีคราะข้อมูลเต็มเลยวันเน่ยต้องยุ่งกับคนมากต้องไปชุมนุมมากมาตั้งหนอทิศทางว่าเรื่องนี้คนไปแก้ปัญหายัางไงยังไงกี่หน้าที่เสนอ นายกเเป็นคนตัดสินใจชาปนของม่นด้โกงเขาเป็นคนเสนอแนวทางให้เลือกงั้นงานหนักมากเลยท่านพเป็นข้าราชการลาพอนานท่านท่านที่ยังทางานอยู่นะเหมือที่พ่อเราตอนนี้แหละตื่นเช้าขึ้นมาวันจันทร์ในใครเป็นข้าราชการในห้องนี้เช้าวันจันทร์รู้สึกยังไงต่างไปเช้าวันสุดรู้สึกไหมเจ๊หรือไหมการลาภาน่ายแค่นี้ตื่นมาเช้าวันจันทร์นะ ใจรู้สึกยังไงใจแห้งแรงเนี่ย น, นะขี้เกียจอ่ะวั น, นกลางขี้เกียจใช่ไหมมันพุ่สุดเแ็ง ร, รู้สึกไหมมันพู่สุดเแ็งวันเพื่อหาความสุขรู้สึกไหมมันสุขะดีกะดาษนะนะแค่ตื่นขึ้นมานะแคแค่แค่คิดเท่านัวว้นระหว่านี้วันอะไรนะใจยังเปลี่ยนล้วก็แค่มีสติตามด น, นไปใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทั้งวันอยู่อย่างนี้เองจะกินข้าวนะเห็นอาหารที่เราชอบใจเราต้องพอใจใช่ไหม เจอแต่ของไม่ชอบเลยนี่ลงไปลงอาหารนะมีแต่ของไม่เอาไหนเลยอาหารโรงพาบาลเรืองขึ้นชื่อเลย่มไม่ใครอยากกินเลยพนะยาบาลเองหมอเองก็คงไม่อยากกินยอย่างที่สิรรานแล้วสื่อกินก็เปไสมูรพยาบาลได้ชอบกินส้มตำใส่กุเขนท่นะานทที่รู้ว่ามีเชืเนะ้อโรคอะไรน่ยคกินอาหารส ะ, ารสะารอาดาก็ไม่มีความสดแค่แค่ตาเราเปลี่ยนอาหารแ้วจมูกเราเล็กรีอาหารแล้วใจเรายังเปลี่ยนนะ นะเวลาได้กินบางทีอยากกินได้ไหแอบบางทีให้กินไม่อยากกินนะให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจนะตาเรามองเห็นความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนเราคอยรู้ทันการปฏิบัติทําไม่มีอะไรหรอกโยคอยรู้ใจที่เราเพิ่มขึ้นหรบอเพิ่มงแค่เห็นรูปเราใจเราอยางเรเพิ่มขึ้นหรเพิ่มลงเลยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจนะเห็นคนอื่นก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ชอบใจเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจคอยรู้ทันใจที่เราเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มจะได้ แค่นี้ไหวไหมไหวแต่นี่ต้องคิดทำนะต้องทำนะต้องสู้เอานะแล้ชีวิตจะได้มีความสุขการนิสัยหลวงพ่อจะแบ้เอาการสืบเรื่อง้งนั้อ่าอันก่อนหลวงพ่ อ, พอให้พิจารณาใจแล้วก็เมูอแต่รู้เป็นคนที่มีทุกความคิดนาเด้อก็เลยใช้กายพินนาาจารณา่จหลวงพ่อแนะนำนะ้คะเอ่อ บางครั้งก็จะมีความรู้สึกว่ากายกับใจไม่ไอยู่ที่ยกันก็จะทุกคนจะ น, อ น, น้อยลงใช่ไหมกายก็อยู่ส่วนหนึง่งจิตก็อยู่ส่วนหนึง่ง <Okay. S 2> แล้วดูออกไหมตายก่อยู่ส่วนหนึง่งเวทนาก็อยู่ส่วนนึง <Okay. S 2> ดูออกหรอยังเออนี้ถาใครทุกข์อ่ะไม่เวทนามีอยู่ใช่ไหมแต่เวทนาไม่ใช่กายกายไม่ได้ทุกนะนเวทนาไม่ใช่จิตถ้าใครทุกข์อ่ะความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของฝึกไปเรื่ <Jub ilee> แต่บางครั้งก็ยังมีลเป็หลอ๋อแล้วเวลหลมเป็นไหลเขไปรวมเป็นต้อนเยอะเลยอะไก็มีเราตุกแล้วบางครั้งก็ยังพุ่งซ่านแล้วก็บางทีจะรู้จักว่าลูกเยอะมากนี่สิจะเห็นก่อยมากขาะนี้จิตเป็นยังไงหลอกแม่รู้สึกดีดีมีพิธีต่าขบไปเพื่อนหลอกแม่ติ๊เขียนให้ใจเราจิ๊กครูบขบนะมีโมหาแท่นน้ดหน่อยหลกแม่เป็นมัวไม่ใส่ร้อยเปเซ็ เร่รู้ัานต้องใหญ่เร่องใที่เป็กลางก็ากที่ไม่เคยเห็นจิตตองก็จะเริ่มเห็นไอ้นั้นเลยด้วยติ๊ดดูออกแปลนเลยมันแปละลาดนะขนาดสื่อจันทำงานมันได้ทังวันแบบแหลกดีรู้การของรอบครวที่หลวงพอชนำที่แม่ให้หน้าตาห้ของรอรัวที่ชอไม่ใช่ของหลว่รสักการหลวงพอค่ะ หนูไ่แน่ใจ่ะที่หนูดูจีบมาว่าูช อ, อ, อบไคะข้าถามขาม้ตข า, ต, ต, าต้องตอบไมข้านดูบยๆนะใจเราเป็นไงไปรู้รู้ซึ้งรสังเกตไปได้แน่เอนตอนนี้เราก็องคับอยู่ดูออกไหมนี่นดดออเป็นธรรมชาติดูออกไมแข็งอยู่นิดนึงดูออกไหมดัวอมต้องเลี่นใจนะ S <S <S เราตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นไป ม, มันไมใชแค่ตื่นเต้นเฉยๆมันมีการบังคับตัวเองให้ไม่ตื่นเต้นเลยเออที่บังคับตัวเองเกิดขึ้นใจจนใจอย่างแน่นน่ก็คือแมกยืนอัดยังมีความมืออัดเกิดขึ้นเพราะเราไม่ยอมรับความจริงว่าจิตมันตื่นเต้นถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยอมรับสภาวะที่กําลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้ความทุกขก็จะเกิดขึ้น ถ้าเรายอมรับสิ่งที่กําลังปรากฏได้ความทุกข์ก็ไม่มีอย่างเราป่วยถ้าเราป่วยไข้แล้วเรายอมรับได้ว่าร่างกายเราป่วยเป็นธรรมดาต้องป่วยไม่รู้งงใจถ้าอยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏไม่ได้ก็เป็นทุกข์หรืออย่างนะบางคนนะบางคนสามีหนีไมีแฟนใหม่อะไรเงี้ยเรายอมรับความจริงอย่างนี้ ไ, ได้ทุกข์แลนะ้วน่าคิดเมื่อไหร่จะตัดมาความจริงมันไปใช่แค่ดีแล้ว คนไม่ดีเอามงนไว้ทำไมแล้วถ้าเมื่อไหร่เรายากรับความจริงที่ัะปรากฏขึ้นได้เราจะถูกน้อย ม, นะมีคนรู้จักคนเดียวไอ้ทำธุรกิจนะเพื่อนาจเช็คเด้งกว่าสิบล้านกินไม่ได้นอนไม่หลับนะชิ่อจะเรียกคุยจะฆ่ามึงมาหาหลวงป้านะั่มาโวยวายวยวายอยางฆ่าเขาไอ้นิสเซอร์เด็กเดจะฆ่าเขาไปบอกเส้นเสียดงดัเดี๋ต้องก็ค่ายอก่อน บอกว่าเสียรู้สึกไหมเช็คเหมันเด้งเสียไม่อยากให้มันเด้งใช่ไหมบอกใช่มันเด้แอเองแล้วตอนเด้งแล้อยากให้ไม่เด้งก็ปลุกใจสิต้องยอมรับสิตอนนี้เช็คเดนะ้งแล้วเช็คเด้งแล้วจะทํำยังไงดีให้ความเสียหายน้อยๆยตั้งหลักให้ได้ดั้นในชีวิตเวลาเกิดปัญหานะตั้งหลักให้แรกก่อนอย่าปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าตัอตา รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางถ้าชีวิตเราไดจะดงขึ้นดีขึ้นอันนี้ชีวิตคนอนื่นนะไม่ใช่ของคุณเรกเอาคุณยังมาพักอยู่ดูออกไหมก่อเขาไ้รู้สึกไหมเหนือยหนะักหรือว่าเบิดบานแจม่มใสเบาสบายรู้สึก น, น, น, น่นถูกไหมน่นแหละ แน่นแน่ละเป็นผลของ่ารที่เราเป็นปวดหงบั้ำครับตัวเองใช่ใช่ใช่ไอเจ้หลวงพ่อก็กลัวหมดเลยขนาดร้านนะหลวงพ่อมองทีเดียว้วแค่ขาบิดเลยสภาพนี้ค่ะเราแล้วเราพยายามดูว่าสภาวพของความกลัวหรือพ่อเนี่ยมันจะหายไปตอนไเราไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูให้หายนะ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 ของคุณตอนนี้คือจิตไม่เป็นกลางเห็นไหมไม่ชอบวิธีกลัวข่มเอาไว้เนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้นะอ่ะวันนี้วันนรุ่งใจจะตายอยู่แล้วรอนานและนะ้วเกศกาลของพ่อค่ะอยากกลควรให้หลวงพ่อเอ่อแนะน่าคือภาวนายอยู่ไม่ใช้ได้แล้วนะเออรู้สึกไห ตอนนี้กดข่มไมรู้สึกมแล้วเตือนเต้นแเนไวรหมที่สึกอยู่ใช่ไหมใจเริ่มเสือรู้สึกไหมเห็นกิเลสตั้งวันนี่เห็นได้ทุอย่างช่วงครวนอัตตามันเกิดขึ้นเองข่าวฟังนะเดี๋ยเกิดแม่งเองพอรู้ทางก็มาเองแ่ให้ใจ <k taste Hyung ceğiz> คนเราที่เซลล์จัดนะเราว่ า, ายึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองอย่าง ก, ก็เราทํางานใช้ความคิดเช่ใช่เลยส่วนใหญ่เราคิดคิดไปแล้วเรายึดในความเห็นของเราเองมากคนอื่นเห็นไม่เป็นเร า, เราก็รู้งใจหรือไม่ก็โมโหเลยเรียกว่าเซลจัดตาแรงถ้าเรารู้ทันจใจไปยึดในความคิดความเห็นเรารทันแล้วก็ปล่อยออกเองไปฝึกอยูแต่ไม่ได้ติดเพลงไม่ได้สิเองแค่นี้เดียวเพราะว่ากลัวหรือว่า ค่ะอีนี้เพื่นะคะสงสัยอะค่ ะ, ะสสว่าที่หลวอบอกว่าถ้าเวลาเราโปรธเนี่ยค่ะให้เราดูดูความกรธอีนี้ถ้าเราขอดแล้วเราอยากจะไปฆ่าเขาแล้วเราก็ไป ร, ร, รู้ว่าอยากแล้ถ้ามันไม่หายเราจะไปฆ่าเขาค่ะไม่ได้สิหลวงอ <c oughs> บอกไว้แล้วว่า <c oughs> งตงทก่อนจะประปัชนาต้างถึงสี่ท่าทําไมจะทำวิปัสนาต้องมีสี่ท่ารู้ไหมต้องวิปัสนาจะไม่เก็บกด ความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทางไม่เก็บกดนะมันไม่เหมือนสมถะ้กรนขึ้นมาพู่งแผ่เมืตาไปเรืเลยไม่อยากฆ่าใครใ<ช>แต<ล>่คำนิพพานานี่ยเราไม่บังคับใจแต่แบบเรา<ช><ช>เราจะต้องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจามไว้ได้วยสีแต่สีที่สัมผัสหน้าไม่งั้นไม่มีคนรู้จักกันเป็นโกรขึ้นมานะไสัง่งวิ่เกี่ยว ม, มาช้าส่งช้าไปส่งโต๊ะ อ, อื่นข้ามชิว ม, นมาในั่งใกล้ๆโดดตกเนี่ยโอกั้ ตองเจ็ดส่งไป็เตี๋ย ว, วเฮ้ยตบงทำไมตองเรื่อจิตว่างดามาางงีมันเรียกลิวขบัวเรจิตว่าเข้าถึงศีลึงมาบอกว่าฉันเห็นความโกรธนั่นไม่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ว่างไปมหกรรหลวงพ่อหนูส่ง ก, กันบ้านล้าต้นสุสุดท้ายนนะตอนเมื่อเดือ น, น, นมิถุนายนก็เยไ่มีโอกาสเล่นมาก่อนหลวงพอพอระหว่างที่ที่กลับมาฝึกเองที่บ้านเนี่ยรู้สึกว่า บางทีจิตมันมันเหมือนแบบอกับพอเหมือนกัจะมีโอกาสเจอญาติทำอย่างนี้ค่ะผมจะคนที่ช่างสงสยัยเขาก็ะจะบอกว่าอย่าไปสงสัยมันไม่ใช่อย่าสงสยัยสงสัยให้รู้ว่าสงสยัยความสงสยัยความโลภความโกรธความโง่เนี่ยเป็นสภาวะเหมือนเหมือนกันเท่าเท่าเทียบกันมันมจะเกิดขึ้นตลอดมัเหมือนกับอยู่ในในคำนึกคุยคนองเลยเหรเนี่ยเห็นไหตอนนี้ไม่ได้สงสัย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 เราสึกให้เห็นมันทํางานของมันได้เอเาางซู้สึกไหมเราปรงับไม่ได้ก็คือรู้แค่พอเราเจ อ, ตเตอ ท, ที่ที่มันไม่ชอบใช่แล้วรู้สองระดับนะสองสเต็ปอัตที่หนึ่งรู้สภาวะที่เกิดขึ้นก็คือความเกิดเต้นสเต็ปที่สองก็รู้ความตื่นเต้นรู้สภาวะแล้วจิตยินดีหรือจิตยินร้ายให้รู้ทันอันนี้จิตยินร้ายไม่ชอบเห็นไหมไม่รู้ทันที่ไม่ชอบ ตรงที่รู้ว่า่อไม่ชอบตรงนี้ค่ะนขอยอมรับวพ่ว่ายังไม่เข้าใจเลยค่ะเพราะตั้งแต่ตรงกันว่าตั้งแต่เดินในาลหก็ยังไม่รู้คือหนูขอเราเองจับตรงที่ความสงสัยตรงที่ไม่ชอบต้องรู้ตรงส่งขอบคุณตอนนี้มันทนความสงสัยปิดบางไว้ใช่ความสงสัยเนี่ยเป็นโมหะอย่างหนึ่งนะถ้าตัดในที่จิตมันถูกโมหะครอบงำอยู่เนี่ยสกิปัญญามจะยังไม่เกิดใช่คังนั้นเราอย่าไปเชื่อ ตอนเป็นนี้ความสงสัยเกิดขึ้นคุณก็ค่อยๆดูไปดูซิความสงสัยอยู่ชั่วคราวจริงหรือไม่จริงดูอย่างนี้นะแล้วความโลบความโกรธความหลงเกิดขึ้นคุณก็ดูเปอีได้วนะ่ามันอยู่ชั่วคราวจริงหรือไม่จริงดูแค่นี้พ อ, อถึงวันหนึ่งจิตจึงเรียกรับความจริงมันทุก อ, อย่างเกิดแล้วมันดับตรงสิ้นเอ้ยนี่หนูรู้สึกตวัวถูกต้องบางอ้างหรือยังบางทรู้สึกเราไม่เคร่งม่เครงไว้ไม่ ง, มงไว้แล้วไม่เคร่งก็หลกไปคิด ใช่พรว่ารู้สึกไหมก็รู้รู้สึกไหมตอนนี้ตัางครวนไม่ใช่เล่าเียเฉยแต่เกลียดความรู้สึกตั้งครวญออ่มายังไม่ทันตั้งครวนไม่เป็นไรนะคล้ายเจอพ่อเจอแม่ก้อนหน่อยหน่อยอย่างนี้ให้เห็นให้ดูหน้าเห็นใจอะารเงี้ยเรื่เรารู้ท่าเดียรนะรู้ไปสดๆร้อนๆอย่างนี้แหละแล้วเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่อยู่ชั่วคราวทนทนลงนะ คนช่องสงสัสยเนะี่ยคือคนน่าสงสารที่ว้า น, นของพอพีมีแล้วมีตามองเลย <c oughs> ช่างสงสัสยสงสัสยมันทุกเรื่อเลยสยลงสังยมันก็แปลว่าจิตเราแบบเราอยู่เฉยๆไม่รู้สึกอะไรเลยยังเงี้ยก็ไม่ถูกใช่ไหมไ่ถูใช่แล้วจิตสงสัยขึ้นมาก็ดีแล้วเราก็ปฏิบัติให้ถูกแลคุณจะเห็นว่าจิตเราสงสัยก็เห็นว่าความสงสัยอยู่ชั่วครารู้สึกไหมมีความสงสัยอะไรที่ไม่อยู่ช่วคราไม่มีหรอก นี่แต่ว่าสงสัยขึ้นมาแวะเดีลยวเราก็ายแต่ิดใหม่สงสัยใหม่ทุกอย่างช่วคราวตั้งหลักให้ดีนะละครนาเพให้เห็นทุกอย่างช่วคราวจำตรงนี้นะเราเราใช้วิธีการภาคในใจเลยค่ะสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็คือไม่ต้พาันเราเปลี่ยนทารมือเลยน่าดกัันากแที่ส่งกานบ้านไปแล้วเราโตขึนหมดเลย กขอขา ก, ก, การนำสการการขันการสมิสัยเกี่ยวกับวิญาณจิตการวางจิตของเราในเกียวเรื่องสมถะเนความความของนถึงอย่างแล้วการวางจิตในแัดนี้ที่ผไปบนั้นทุกข์ไปนคุณจวยอย่างไรครับเราไม่หวนะถ้าางจิตเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะหลักของการทาสมถะคุณพ่อเ้ือก่อปเป็นรู้สิษย์้่านอดีนี่นะ เดี่ยท่านผู้หลีกตั้งแปีศูนยแล้วก็ฝึกสมรราธิอยู่จนอายุยี่ 25, สรริเก้าล่นสมานิเล่นอยู่ยสิคล็ดลับของการทรราําสมาธินวเป็นการรู้อารมณ์อย่างสบายๆเพราะเราไม่ได้วางจิตแบบรุนแรงนะวางปึ๊กลงไปนี่ไม่มีวันสนุกต้องสบายหลักของสมาธานนี่ก็คือทายัางไงจิตจะสงบต้องตามตรงนี้ จิตมันเลื่อนปัติเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาคุณดูออกไหมีไปคิดตลอดเวลาจิตมันเที่ยวหนีไปคิดเพราะอะไรเพราะมันเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ที่เลื่อนๆพอใจเราก็ต้องหลอกล่อมันหาอารมที่มันสบายใจมาล่อมั น, อ, มนอย่างของเราเองชอบหายใจทำอานาปานสติหายใจแล้วมีความสุขจิตใจเราหายใจเรามีความสุขนะจิตชอบอยู่บนลมหายใจจิตไม่หิ้วไปที่อื่นโดยเราไม่ได้บังคับ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 เด็กกินแล้จิตเป็นอารมณ์ที่ชอบใจใช่ไหมเด็กก็ไม่วิ่งไปนสดเหมือนกันจิตนี่เหมือนกันถ้าเขาได้อยู่กับอารมณ์ที่เาขาพอใจนะเขาได้สุขสนงั้คุณก็ต้องดูว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธมีความสมุขเราก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจแต่ไม่ได้ความทับจิตให้สงบนะจิตไม่ชอบความทับจิตเหมือนเด็กยิ่งบัตยิ่งดื้อนั้นสรุปง่ายๆก็คือถ้าอยากให้เกิดความสงบเนี่ยให จิตเน่ยอยู่ว่บอารมที่สบายใจถ้าจะทำวิปัสสนาเราไม่บังครั้ให้จิตวิ่งนคะจิตวิ่งไปที่ตารู้ทันจิตวิ่งไปทางหูรู้ทานจิตวิ่งไปทีคิดรู้ทานเราเข้าไปถามหลวงปูด่ดุลย์หลวงปู่ครับจิตจะตั้งอยู่ที่ไหนแต่เดิมคิดว่าจิตตั้งอยู่ต่างน้าอกนี่นะ่าเพราะเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นตรงนี้ทุกทีเลยหลวงปู่ดุลย์บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้ง หมายถึงอะไรหมายถึงว่าจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นไม่ต้องเอามันมาตั้งไว้ทำวิปัสนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเกิดแลดับใช่ไหมไม่ได้เอามาตั้งกับหลับให้แน่นมากถ้าทำใจเราคุณทำสมาธิาเยีะแ้วังทีอืมุตส่าห์การ่านกมีสุดเปลยนเล่นแล้วก็ไปกดไวเป็นไงตั้งแต่เจอในคราวก่อนจนครานี้เป็นความเปลี่ยนแปลงอะไรก็อยู่เนี มันก oh, like so ็เปลี huh. ่ยนตลอดโอ้คนนี้เกงมันเปลี่ยนตลอดนตอนอย่างนี้อไรก็ถูกเนาะถูกต้องเปลี่ยนตลอดแล้วถ้าใครรู้ทันสติหรืเป็นบ้ามันก็จะเริงแล้วก็มอะไรนะมันก็มีเจริญแล้วมันก็มีเจริญเสื่อถูต้องเวลาเราภาวนาไม่มีเจริญอย่างเดียวเจริญแล้วเท่าเสื่อมครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ทุกรู้จักอาจารยสิงห์องไหม ใช่สิ่ง ท, อ, ทองของเลยจิตมีธรรมชางิเจริญเราเสื่อมนั้นเจริญแล้วเราหลงยินดีเนี่ยโง่เสือมแล้วหลงยินร้ายโงอ่อนะเขาแสดงความเจริญแล้วเสือให้เราดูเพื่แสดงไตรลัก เ, เ, เห็ยนไ ม, ม่บังคับไม่ได้เรียนไปรเพื่อให้ใครบังคับไม่ได้กตับไปบค่ะการนมสการหลงพ่อนะคะหวงแม่หลวง ม, ไม่ไม่ไม่ค่นะรูมารู้มาจากโรงเรียบางบังปรกมค่ะ ไม่ยังไงก็อาจจะต้องติดต่อหลวงพ่อไปให้ธรรมันกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาควบคุมไหมนะคะได้จองววคิวไหเอ่อปกติปีเท่าไหร่5 6าหกห้าสิปกตินะคะหนูก็จะสวดมนต์ทำบัชชาวัติเย็นเอ่อแล้วก็นั่งภาวนาไม่ได้หวังว่าจะให้มันรู้อะไรแต่หวังว่าให้ตัวเองมีสติ นาหรือนางอนชีวิตอยู่นะคะพราปกติตัวเองจะเป็นคนค่อนข้างโกรธง่ายแต่ก็หายง่ายนะคะไม่ไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันจะจะช่วยอะไรก็ดีนะใครรู้ตัวเองไปเรือยๆเอาคืนแท้ๆสติในชีวิตประจําวันให้เยอะๆแ้่คนขี้โมโหเนี่ยมีบุญนะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ดูไม่ายเห็นไหมเจออะไรนิดนึงก็ฉุดเงี้ยแบบที่จมูกแล้วครก็มีก็ขัดใจแล้วเงี้ยเราไปรู้ไป แข็ใจฉุนๆเึ้นมาแล้วก็หายรู้ไปไม่คังเอินลักษณะงานหรือแนอุบัติเหตุเฉยๆนะลักษณะงานมันต้องทัเพอเพราต้องช่วยชีวิตคูใช้มันก็เลยทำให้อารมณ์ตัวเองกบางทีก็จะไหวไปด้วยนะคะก็พยายามที่จะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็นั่งภาวนาแต่เราะเพาเวลานั่งเวลาท่ันจะ จะหลับดีล่นะครับสงเลยครับนี่ไงที่หลวงพ่อชาบอก่คนเมืองนะต้องดูจิตเอาเรีนไปทำสนาทีนั่งหลับสิเพราะวัน ห, หนึ่งวันหนึ่งนี่เหนื่อยสารสัตว์ันนะไปจะถึงบ้านจะนกปีกหักแล้วน ะ, นะ็นสายพ้อแฝงข้อแฝงนั่งก็หลับเท่าันน่ะนั้ น, นพยายามฝึเกเจริญสติในชีวิตประจำวันได้มากอย่างเราตั่งอยู่นั่นนะเป็น้าหาเป็นร้องแรกใหม่้ะกุ้ใงใจว่ากุ้งใจ รักษาเปนธรรมชาตจะตายแล้วกังวลด้วยว่ากังวลดูอย่างนี้เลยดูไปเลยถ้าไม่ได้ก็จะกะังวลอีกนะฮ ะ, ะแล้วก็จะสงสารยากเขาก้อให้รู้ทันใจของเราไปความเมตตาการุณานเนี้ยเป็นกุศลน ะ, ะแต่ถ้าเมตตาแล้วก็ไม่มีสติปัญญารู้ทันละเอียดลายถึงลาดค่ะันเป็นความปุพันความการุณาอย่างเงี้เขาบาดเจ็บมาเนี้ยกรุณาอยากให้เขาหายสงสารเขาอะ ถ้าเราไม่มีสติครนนะนกนจะกลายเป็นโหร ส, สับเสียหัเสียใจแล้วก็ต้องพยายามรักษาสี่งห้าแต่มันจะผิดสิ่ขอ้อสี่อยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่ารักษายากค่ะเพราะ ว, ว่าบางทีพูดแล้วเดี๋ยวจะทำให้เขาไม่สบายใจเราก็ไม่อยากแล้วก็กลายเป็นว่ามันเราะผิดสิ่ข้อสี่อยู่เร่อยๆนะคะแล้วมีศิลปะพูด <c oughs> นะขอบคุณนะพยายามฝึกสติในชีวิตประจำวันแต่เราเครียดเยอะ ปวดงาย่ายเครีไม่ใช่ไม่ใช่ขี้โมเหอะไหรอกแต่ว่ามันเครียดเมื่อเวลาใจมเสรนขึ้นมารู้ทันแต่ไม่ห้ามอย่าไปข่มให้นิ่งอย่ า, นน ไ, าไปนล่นไปเล่นไปกดมันไม่กดมันทำตัวเหมือนคนดูเห็นเหมือนเห็นคนอื่นกลังกาลังเครียดอยูน่นะดูเหมือนดูคนอื่นกันเรื่อยๆในส่วนบอลแล้วไปรู้ทันแจใเงไปๆออตอนจขาไปส่วนคอที่รัด น, นั่นะไอ้ทำไมไม่ส่วนบอลที่นี้ล่ะ อยู่ตรงนี้ก็ส่วนได้เนยใช่ไสมตตอนนี้เราว่างๆเราก็พุ่โทรัำโมส่งโกแค่นี้ก็ได้นะพุ่งโทรทำโมส่งโกไปรู้โทรพุ่โทใจแคิดแล้วรู้ทันแล้วมาพุ่โทรพุ่โทรพุ่โใจอีกไปคิดอีกรู้ทันนะส่วอย่างนี้อ๋อแน่นอนยิ่งส่วนยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคิดบ่อยเท่านั้นเพราะมันยาวคะอย่างถ้าส่วนชินบัชอนนะราไปคิดเป็นร้อยคั้ง กับมุ่งพ่อครับวันนี้ก็ราสมการบ้า น, นครับแเรียนรับโรคช่วงี้ผ่านมาก็เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าจิตเหมือนกับเขาลืมคิดไปครับสักสิบนาทีแต่เราก็สามารถรู้สัมผัสเองอากอย่างไรนะครับรรเพรางะงั้นจิตเขาพูดเหงว่าจิตเขาพัฒนาเขาเองไม่ใช่เราพัฒนาใช่เรามีหน้าที่จิตนันเหมือนลกเรานะ เราไปฉลาดแทนรูปไม่ได้ไปสอบแทนรูปไม่ได้แต่เราให้การศึกษาก็ได้แล้วเขาจะดีหรือเขาจะเลวอยู่ที่ตัวเรา<ม>เราแค่ให้สิ่งแั้น้อาให้การศึกษารจริงนี่ก็เหมือนกันเราพาดึงตัวกายมาดึนตัวใจไปได้<ม>ให้การเรียนรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในช่วงราวโดยเขาจะฉลาดเมื่อไหร่เรื่องของเขาจะสอบขึ้นชั้นได้หรือไม่ได้เรื่องของมันไม่ชเชื่อของเราเพราะฉะนั้นก็ดูจิตต่อครับแล้วก็เปิดทาง ข่้นหวังครัก็เลยเป๋เลยอย่างนี้สักอตห่งธรรดาวพรู้ทันก็อันนี้ก็เดินตรงพมนั่งสมาธิเลวเร่งจิตสปีดเร่งตู้มนะครับมยขนาดนี้ถึงฐานแล้วช่วงนี้เกีตอนนี้ฝั่มพอมีถึงฐาน้วตนนี้มแ ต, ต่ทีแมเตกตใช้ได้ชารั่ครับไม่ทราบผมมีเรื่ อ, มองมองไม่เห็นนะครับ การเรียจิตเป็นไม่ตั้งมั่นไปถึงฐานถ้ารู้ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวคุณนี่จะสงสัยบามงทีบอกจิตไม่มีฐานมันมีฐานได้ไหมนะมันเป็นความรู้สึกตัวจิตปกติเนี่ยช่อบไหลไหลตลอดเวลาเนี่ยแต่ถ้าเรารู้อะไรนะมันไม่ไหลตรงที่ไม่ไหลนั่นแหละที่เรียกว่าจิตมันตั้งมั่นแต่ไม่ใช่ตั้งอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้นะ ตัไไ้ e um. งมันในควรู้สึกผมงย่หลวงพ่อดูจริงูานเหมือนตรู้ใช่ก evet. ับแล้วันใช่ใช่แต่เดี๋ยวข้้พรู้นะข้าถ้าขาพ้ผิดเลข้าพ่อเปเสนาถ้าข้าเาผิดเลยบนสุการของก่อก่อโหชกำใมที่ผมตามรู้ตามดูจิตใจเนี่ยถูกยัาหงพ่อต้องดูให้สบายนะ ออย่าให้เครียดอย่าไม่จมวนที่ตามสุ่อยู่ก็เริ่มใช้ได้แนละ้วดูพยอย่างมีความสุขนะนเราไปดูใจฟูสร้านขึ้น ม, มาเราไปดูดูออกไหมใจเราชอบฟูสร้าง น, นใจฟูขึ้นมาเรารู้ใจฟูขึ้นมาเรารู้บ่อยๆไม่ห้าวไม่กดไม่ข่มนะอนแล้วต้องทําในรูปแบบเอเไรตอนเนี้ยังตอนอ น, น, นี้ใจยังพอ บ, บางเกินแปเหมือนแก้วบางๆ อย่าไปเขรนยดอย่าไปประคับหมาอย่าไปเคยียดนยยเคยี ย, เคยงา่ายต่อไ ป, อปกาพัฒนาผาจานค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะไดมีโอกาสมานั่งฟังทรผ้าจา์คือเมื่อส3งสาเดือนที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้มีเพื่อนแล้วก็หลานะคะเอาที่ดีมาให้มาให้ฟังก็เลยได้วามของผอาจานแผ่นเดียงนั่นนะคะฟังแล้วฟังฟังแล้วฟั ง, แ ล, ฟง แ, ลแล้วก็มาหา ที่จะที่จะมาเรียนรู้ดูจิตนะคะก็ได้ก็ได้มานั่งดูอได้มาเรียนเรียก็กได้ยกใช้วิธการว่าขนาดคือจะเห็นจะจะรู้ว่าลูกกับน้ำเนี่ยมาแยกออกจากกาัลนลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันมันคือรู้พีไปเห็นว่ามันเนี่ยเกิดขึ้นในเสี่ยววินาทีตลอดเวลาแ ล, แล้วก็บางครั้งเนี่ยมันมันจะมีลักษณะของอคือจะเห็นว่าบางครั้งยังมีโทรศัพท์ โศกเกิดขึ้นบางครั้งก็หลงก็คือเราก็ไปร่วมมหกากรรมด้วยแต่พอพอรู้ว่าออก็ก็พยากาที่จะก็คือให้รู้ว่าอ๋ อ, อ ก, ก็แค่นี้เองแต่จะอาจารย์ท่านนี้ก็จะไปใช้ในลักษณะวา่าในเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งในการแล้วขณะเดียว ก, กันเนี่ยในการปฏิบัติกาเรียนรู้ธุกิจเนี่ยคือจะตัวเองจะทำเมื่อเมื่อมีโอกาส หรือมีจังหวะเมื่อนั่งทํา ง, งานมีเวลาว่างก็จะจะอยู่กับกิจการไม่ไ ม, ไม่ไม่ลืมกายลืมใจตัวเองไม่ไม่ทราบว่าพอนาะนะให้เรื่องสบายๆนะค่ะอย่าไปให้เรืเครงียดค่ะคอยรู้สึกอคอยรู้ความรู้สึกเอาเตบงบ่อยๆล้างน้ำขุยยิ่งเค่งเครียดเลยนะ ร, รู้สึกไหมคือคือเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกอ่ามันกับว่าเราเคร่งพอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราเราแค่ถือว่าสงบสบาย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 จิตกัการอยู่ด้วยกันเราะฉะนั้นสติมันสติก็จะอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะคะเราคอใช้กเกจยนันให้กันบ้างเพืนะเวลาที่จิตเป็นคิดเนี่ยเกจยันเวลาเราคิดนะเราจะจมไปอยู่ในโลกของความคิดลเลยซราอินไปในโลกของความคิดเธอนี่ดูออกไหมอย่างเวลาเราพูดพูดพูดแ้วเราจะไปเลยใช่เออตัวนี้ใ<ช>ครดูตัวนี้บ่อยๆนะต่อไปแจงจะถอนตัวออกมามาเป็นผู้ดูผู้ดู ตอนนี้ใจมันเขาเ้าไปคลุกอยู่อ า, ารมณ์อย้่ในฝึก่างนี้นะ ใ, นใจมัไหลที่คิดรู้ทางใจมไหลที่ิดมันอิ่มในการชิดรู้สึกแม้เวลาเราคิดอะไรนะมันเอาจริงเราจากนะนี่เป็นจุดต่อนของเรานะให้ความรู้ทานจิตที่มันเปนอิ่มแก่โลกของความชิดนะนะ ต, ต่อไปแค่นี้กยากแล้วนะจนะำได้มานตั้ง น, นาศการหลวงพ่อค่ะ คือเวลาที่เรามองร่างกายเป็นธาตุสิ่งทาที่นน้ำลไฟเรารู้สึกว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ว่าเราจะาร้อนแค่ยังไงเหนคนเป็นไข้เราไม่สามารถลดไข้ได้เราลองพตัว เ, เองไม่ได้แล้วเรามองเห็นว่ามันไม่ตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องดับไปเป็นทำไมที น, น, <ม>ทนี้โดยตัวเองเนี้ยเป็นคนมองจิตไม่ได้อ่ค่ะอยากให้หลวงพ่อเมตตาสอว่าแบบไหนถึงจะมองกับตัวเองเราพูดจริงจริงหัวกระต่ยดูจิตเป็นคนช่างคิดนะ แต่ว่าของก่ที่ทำานียมัเป็นในที่กายคารู้สึกเนี่ยมันแทกไปอยู่กับอย่ที่การู้สึกไม่ได้ไมมอยู่ร อ, อบกายกิจมันจอยู่นิ่งๆจนรไม่เห็นแลวี่เกานะเนี่ยก ท, ทั้ง่างนะดึงด้วการปฏิบัติเกิดแล้วออกมากระทบรมตามธรรมาชาติไปไนนะ่อยๆนแล้วถ้ดูใจที่เตือนขนะึ้นมแต่ตอนนี้ใจอีกคิมซักเลย แต่คิดแล้วว่อยากอยากพูดรู้สึกไหมเรียเรียกเป็นการดูจิตจิตอยากจะพูดหรือว่าอยากเนไหมอยากพูดเห็นไมมันมีแรงตึงขึ้นนะที่นะบอแล้วที่ทาอยู่นั่นสมาธิในจมูมเขาทุกีนไหมคะก็ทำแต่มีไปลอยมแต่ว่ามาดูชะภาวะที่เกิดขึ้นภาวะมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นเลยอย่างไม่แค่ความอยากพูดมันก็โลภะ ตลมพาดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีโลครับใจหีไคิดในขณะที่ใจมีคิดคือบุตท่านจากทุงสั้นก็เป็นโมหาอย่างตอนนี้ใจมีโมหาแลู้ไคิดแล้วหลอกไหม